แต่ละประเด็นนั้นท่านถามโดยละเอียดท่นปฏิ ร, ะ เ, ระเลยตอบโดยละเอียดเรื่องก็พิสดารจากคำสุดท้ายนั้นท่านบอกว่าภิกษุได้ฟังเทศนาว่าด้วยสัจจะทั้งสี่ของท่านภาษาลิบุตรโดยหัวข้อคือกุศลอกุศลอย่างนี้แล้ว จึงพากันชื่นชมพาสิทธ์ของพระเถระด้วยคำว่าดีแล้วแต่เท้าดีแล้วแต่เท้าและชื่นชมด้วยจิตที่เป็นสมุดฐานของถ้อยคำนี้นั้นเองรับเอาด้วยวาจาเอื้ออิ่มด้วยใจทีเดียววันนี้พระเหตุพระเหตุที่พระเถระเป็นผู้กล่าวที่จะแสดงธรรมเทศนาว่าด้วยจตุราริยสัต หรือว่าด้วยอริยสัจ ท, ทั้งสีประการเนี่ย ส, ง, สงเกดข้อว่าข้อความในตอนต้นที่จริงพระเทราก็แสดงอริยสัจแต่ว่าแสดงในรูปของปฏิจจสมุปบาทหรือปจิยการก็ในรูปสิ่งนี้เป็นเหตุเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถึ่งนีมีเนี่ยก็รวมแล้วก็เป็นสิบสองข้อด้วยกัน โดยเริ่มต้นมาจากตอนปลายของปฏิญาสสมบัติก็หมายความมาเริ่มต้นจากชีวิตเราในขณะเนี้แต่ย้อนกลับไปสู่ชาติก่อนสิ่งที่เราปรากฏในชาตินี้ก็คือชารามรณนะหมายความว่าทุกคนกำลังประสบกับความแก่ความเจ็บและความตาย ซึ่งแต่ละอย่างมันก็พร้อมที่จะปรากฏัวในแต่ละขณะเพียงแต่ว่าจะปรากฏดวเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันพระสารีบุตรสามารถจะบอกแสดงอริยสัจสี่ได้โดยพิสดารหรือเพราะเหตุที่ท่านพระสารีบุตรต้องการจะแสดงให้สูงยิ่งขึ้นไปอยู่แล้วจึงได้กล่าวว่า ประเด็นนั้นภิกษุทั้งหลายผู้ประสงค์จะฟังสัจจะเทศนาโดยนัยะอย่างอื่นจึงได้ถามปัญหาสูงขึ้นไปกับพระสารีบุตรเถระภิกษุเหล่านั้นได้ถามปัญหาอื่นที่สูงขึ้นไปโดยลำดับว่าแต่เท้าคอรับยังมีปริยายอย่างอื่นอีกบ้างไหม คือเหตุแม้อย่างอื่นบ้างใหม่นอกจากปัญหาที่แด้ท้าวได้กล่าวมาแล้วในตอนตน้นตั้งในที่สุดพระสารีบุตรก็บอกว่าเฉลยปัญหาแก่ภิกษุเหล่านั้นหนึ่งฝังได้กล่าวในคำว่าก็มีภิกษุคือหมายความว่าธรรมะนี่มันเป็นปริยายเทศนา แสดงโดยนัยยะหนึ่งนัยยะหนึ่งก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะเกิดปรับสภาพตัวเองเวลาคนไปลงมือประพฤติปฏิบัติต้องฟังคงคุ้นเคยกับคำว่าอิทิบาทสีฉันท้าความพอใจรใครในสิ่งนั้นวิริยะเพียนหมันประกอบสิ่งนั้นจิตตะเอาใจใส่จดจ่ออยู่ในสิ่งนั้น แล้วิมังสามันพิจารณาหาเหตุหาผลในสิ่งนั้นในแง่คำพูดจริงก็คืออริมักมีองแปดแต่ก็ไม่ได้แสดงหมดก็แสดงแค่สี่ข้อฉันท่า น, นั้นเป็นเรื่องของสมาสังกปะวิริยะเป็นเรื่องสมาวยามะกิตตะเป็นเรื่องสมาสมาธิหรือสมาสติแล้วก็วิมังสาก็เป็นสมาธิติสมาสังกปะ แต่ก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องในกลุ่มของจิตตสิขากับปัญญศิขาในภาคของการปฏิบัติจริงๆหมายความว่าในขณะนั้นแหละผู้ฟังที่ใส่ใจสนใ จ, นใจตั้งใจฟังด้วยความเคารพนั้นท่านก็สํารวมกายวาจาเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าเป็นศีลเรียบร้อยแล้วเพราะโดยสถานะพระนั้นรักษาศีลอย่างต่อเนื่อง ปิกสูนีก็ดีสาเนรีก็ดีสาเนร ก, ก็ดีเนี่ยรักษาอย่างต่อเ น, นี่งก็ไม่ต้องเทศไม่ต้องสอนเรื่องศีลก็ไปสอนที่สมาธิกับปัญญาได้เลยทีนี้ในกรณีที่ต้องสอนเรื่องศีลก็มีปริยายหนึ่งคือแสดงเป็นศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิก็แล้วแต่แล้วแต่ว่า ผู้ฟังในขณะนั้นมีวุฒิภาวะจะเรียนรู้ทำความเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรผู้แสดงก็จะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ไม่อื่นไปจากอริยสรรัจสรุปว่าธรรมะแปดหมสี่พัน 14, ในแง่ของความเป็นจริงก็คืออริยสัจสี่ประการเวลาเรามาเกาะกลุ่มกันเข้าก็เป็นอริยสัจสี่ประการ ทีนี้ประการต่อไปนั้นท่านก็ย้อนกลับมาพันนาองค์ธรรมแต่ละข้อก็มาเริ่มที่อาหารอาหารนั้นผูทน้ท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าในปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ได้บอกเอาไว้แต่ที่จริงคือบอกไว้เพียงแต่ว่าเรียกโดยปริยายหนึ่งนั่นก็คือผัดสะกับบิญญาณนะ วิญญาณก็คือวิญญาณอาหารผัสสะก็คือผัสสะอาหารปีบุคคลสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือว่ารู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เพียงแต่ว่าในปฏิจจสมุปาทนั้นเรียกเอาเฉพาะผัสสะกับวิญญาณแต่ว่าในอาหารนั้นจำแนกเป็นสี่ประเภท ก็ไปเพิ่มกวาลิงกอาหารอาหารคือสิ่งที่เราต้องดื่มต้องลิม้มต้องชิมต้องกลืนเข้าไปอาจจะต้องเคี้ยวหรือไม่เคี้ยวยถ้าเคี้ยวเราก็เรียกว่าดื่มกินแต่ไม่เคี้ยวเราเรียกว่าดื่มแล้วก็กปัปูตะสัมภวาสัมภเวสีกปูตะสัมภเวสีนั้นสังคมไทยเราก็ไปพูดกันอยู่เรื่อย แล้วก็บางทีก็ถูกเถียงกันคือไม่สามารถทำความกระจกันได้แล้วแต่ว่าโดยปริยายในพระสูตรในที่ต่างๆก็เราจะลืมว่าสิ่งทั้งหลายที่โลกมนุษย์รู้จักมันมีน้อยกว่าความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นเพราะเมื่อพระพุทธเจ้า พ, พระหันท่านต้องการจะแสดงเรื่องเหล่านั้นอ้าวบางทีมันไม่มีศัพท์เรียกคนยังไม่รู้จัก โรงก็ใช้วิธียกขึ้นมาแล้วก็อธิบายพูตะกะสัมภเวสีถ้ามาเฉพาะสองคำนะมีข้อแม้ว่าท่ามาเฉพาะสองคำพูตะท่านก็หมายถึงพระอาหารหันต์สัมภเวสีก็นับจากพระนาคามีลงมาก็เรียกว่าสัมภเวสีคือผู้ยังแสวงหาพบอยู่หมายความมันยังมี อวิชาตัญหาอุปาทานกรรมอยู่มีมากหรือมีน้อยก็แล้วแต่เพราะว่ามันขึ้นไปสูงถึงพระนาคามีนะภูสัมภเวสีนี่สูงไปถึงพระนาคามีภูตะก็เจาะจงเฉพาะพระอรหันต์แต่ทีนี้เขาบางทีเนี่ยอย่างในการณิยการีไอรัตนสูตรอ่ะยานีตะภูตานิสมาคตานี เราจะเห็นว่ามันมีภูตะแล้วก็ภูตะในที่นี้เป็นว่าพูดทั้งหลายพูดทั้งหลายหมายถึงพวกอธิสมานกายทั้งหลายพู้ที่อุบัติโดยโอุปปาติกะก็เวลาจะทำความเข้าใจก็ต้องศึกษาว่าตรงนี้มีพระประสงค์อย่างไร คือไม่ได้ไปมันหยับสับใหม่ขึ้นมาแต่ใส่สับสับอาศัยศั์เก่าที่ชาวบ้านเขาพูดแล้วก็เข้าใจในยากของเขาอยู่แล้วเลยก็ส่งใช้ค ำ, คำนั้นเลยทีนี้ประเด็นของคำว่าอาหารเนี่ยในที่นี้ท่านอยาธิบายเฉพาะคาคำที่มันยากประการแรกก็คือว่า อาหารได้แก่ปัจจัยเพราะเป็นสิ่งที่นําผลมาฉะนั้นปัจจัยจึงเรียกว่าอาหารอาหารก็นําผลมานะฮะคือรับประทานจะรับประทานจะดืม่มมันก็นําผลมาก็คือความอยู่ความความอิ่มความลดลดความกระหายลงไปหรือ ว, วิญญาณอาหารก็นําความรู้ในสิ่งที่เราสัมผัสมาหรือว่า ภาษาหารก็รู้ในสิ่งที่เราสัมผัสคือเรากระทบแล้วก็มนุสันเจตนาหารก็ทําให้เรารู้ถึงสิ่งที่เป็นเจตจำนงเป็นความมุ่งหมายเป็นความมุ่งมั่นของเราติดต้องการได้อย่างนั้นต้องการเป็นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เราสัตว์ที่ถือกําเนิดแล้วคือภูตะ ในคำทั้งหลายมีอาทีว่าเพื่อสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วนั้นก็ในในที่นี้ก็หมายรวมหมายรวมถึงสัตว์ที่เกิดแล้วเพราะสัตว์แสวงหาพบคือการเกิดได้แก่การเกิดขึ้นชื่อว่าสัมภเวสีก็หมายความว่า สัตว์ที่ที่ได้พบแล้วอุบัติแล้วอะพูดง่ายอุบัติแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเรียกว่าอุบัติหรือเรียกว่าเกิดก็ได้จุดติแล้วไปสนทิแล้วเนี่ยไปไปสนทิแล้วก็ น, นี่เรียกว่าสัมภเวสีบรรดากำเนิดทั้งสี่ชนิดนั้นสัตว์ที่เกิดในขณะเกิดครบเออเกิดในคัน ตรบใดที่ยังไม่ทําลายกระปาะฟองไข่และรังมดลูกออกมาตราบนั้นก็ยังชื่อว่าสัมภเวสีแต่เมื่อทําลายกระเปาะฟองและทําลายรังมดลูกออกมาภายนอกแล้วจึงชื่อว่าผูตะพูตะก็แปลว่ามีว่าเป็นนะ่ะมาความมาเกิดแล้วหรือว่าเจาะกระเปาะฟองออกมาแล้ว อันนี้พึ่งเข้าใจพระบางทีเนี่ยมันก็บิบประเด็นโดยนัยะดังกล่าวคือภูตะหมายถึงพราหารเลยแล้วก็สัมภเวสีก็นอกจากนั้นนอกจากพราหารแล้วก็เรียวกว่าสัมภเวสีแต่ในที่นี้อธิบายกรอบใหญ่กว่าออส่วนสัตว์ที่เกิดแต่เท่าใครและผุดเกิดขึ้นในขณะแห่งจิตดวงแรกชื่อว่าสัมภเวสี ตั้งแต่ขณะแหง่งจิตดวงที่สองไปก็ชื่อว่าภูตะก็คือเป็นแล้วเหมือนกันอันนี้ขณะจิตดวงที่หนึ่งดวงที่สองนี่มันเป็นรายละเอียดมากคือคือเราท่องเอาเนี่ยเราก็ดูทันนะนะดูทันจากความจําเฉยแต่ว่าถ้าให้เราดูเห็นจริงๆรนการปฏิบัติพัฒนาจิตต้องขึ้นประณีตมากจึงจะไปเห็นการเกิดดับของจิตที่ถีเย็บขนาดนั้นนี่ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วก็หมายความว่าต้องระดับเป็นพระอเิียบุคคลหรืออย่างน้อยระดับปัญญาทีนี้สาสตว์ทั้งหลายจะเกิดโดยอิรยาบทใดก็ตามศาสตร์ใดยังไม่เปลี่ยนอิยาบทเป็นอย่างอื่นจากอิยาบทนั้นศาตร์นั้นชื่อว่าสัมภเวสี ในหลัรนี้พอเปลี่ยนนิยาบทเป็นนิยาบทหนึ่งก็เรียกว่าพูตะทีนี้อย่างหนึ่งเราสัตว์ที่เกิดคือเกิดขึ้นแล้วเสม็จแล้วชื่อว่าพู้ต่ะสัตว์เราได้เกิดมาแล้วได้นามว่าจะไม่เกิดอีกคำว่าพูตะนี้เป็นชื่อของสัตว์เหล่านั้นคือพระขีนสุภะนเจจะเลยเจาะเฉพาะเจาะจง ภูตาก็หมายความเป็นแล้วเป็นแล้วก็จริงก็สมมุตินะก็สมมุติเรียกเอาจะหมายความมาจากภูตุชนนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระญาบุคคลไปแล้วเป็นพระอารหันต์ไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเราสัตว์ที่เกิดแล้วคือเกิดสําเร็จแล้วก็ชื่อว่าภูตะเราสัตว์ใดเกิดมาแล้วได้นามว่าจากไม่เกิดอีกก็เรีย ก, กว่าภูตะ เป็นชื่อของพระกีณาศพดังกล่าวทีนสัตว์เหล่าใดกําลังสแสวงหาการเกิดสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าสัมภเวสีคําว่าสัมภเวสีเนี่ยเป็นชื่อของพระเสขะและปุถุชนผู้กําลังสแสวงหาการเกิดต่อไปเพราะยังละสังโยชนิภพไม่ได้ก็หมายความว่า ประเด็นเดียวกันกับประเด็นว่าพระอาราหันต์ก็เรียกว่าภูตะและนอกจากนั้นก็เป็นสัมภเวสีเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสองบทเนี่ยแม้ในที่ทุกแห่งจึงครุมถึงสัตว์ทุกชนิดในคำว่าภูตานังวาส ต, ตานังก็เป็น เนื้อความรวมไม่ใช่เป็นวิกัปปัฐะเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาพึงทราบความเท่ากันว่าถ้ากับว่าทั้งภูตะทั้งสามภเวสีก็ข้อว่าเพื่อดำรงชีพอยู่เนี่ยานใช้คำบริวัติติยาก็หมายความมาเพื่อดำรงอยู่ เพื่ออนุเคราะห์เพื่ออุปการะนี้หมายถึงคุณค่าของอาหารที่มันเป็นปัจจัยในการหล่อเลี้ยงชีวิตคนเอาไว้แล้วข้อต่อไปก็คือกาพุตะกับสัมพเวสีมีความแตกต่างกันเพียงคำพูดเท่านั้นแต่ความหมายของทั้งสองบทนั้นเป็นอย่างเดียวกันทีเดียวอีกอย่างหนึ่ง คำว่าเพื่อดํารงอยู่เพื่อดํารงชีพอยู่ได้คือเพื่อไม่ให้ทำทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแก่สัตว์นั้นๆขาดตอนไปโดยไม่สามารถติดต่อกันได้คําว่าอนุเคราะห์ก็เพื่อจะให้ทำที่ยังไม่เกิดได้เกิดขึ้นและทั้งสองบทนี้ควรใช้ในข้อความทั้งคู่อย่างนี้ เพื่อดํารงอยู่และเพื่ออนุเคราะห์ผู้ทั้งหลายคือการดารงอยู่และเพื่ออนุเคราะห์ต่อสัมภเวสีทั้งหลายด้วยหมายความอาหาร น, นั้นนัก็จําเป็นทั้งนั้นแหละจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเทพก็ตามจะเป็นพระาหารหันก็ตามจะเป็นสามัญชนทั่วทไปก็ตาม<อ>ก็ต้องเกี่ยวกับเรื่องอาหารด้วยกันทั้งนั้นทีนี้ประการต่อไปก็คือการวิงการราหาร เวลาท่านอธิบายเนี่ยท่านอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์เลยเนก็เป็นเรื่องที่น่าที่น่าศึกษาแล้วก็ให้รายละเอียดไปเยอะท่านบอกว่ากาวลิงการาหานหรือกาวลิงการาหานสัตว์ที่จะต้องทําให้เป็นคำคำอาหารที่จะต้องทําให้เป็นคำคำกรืนกลินก่นชื่อว่ากาวลิงการาหาน เป็นชื่อของโอชะที่มีมาเข้าสุกและขนมผลไม้เป็นต้นหมายความว่าตัวตัวอะไรละตัวรู้สึกอร่อยอตัวรู้สึกเปรี้ยวหวานมันเค็มความรู้สึกที่เราสัมผัส ด, ด้วยประสาทลิ้นเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่ก็เรียกว่าการลิงการหาันทีนี้ อา e so, หารชื่อว่าหยาบเพราะเป็นสิ่งที่หยาบโดยวัตถุชื่อว่าละเอียดเพราะเป็นสิ่งที่ละเอียดโดยวัตถุโดยสภาวะอาหารที่พึงกลืนกินเข้าเป็นเป็นของละเอียดทีเดียวเพราะเป็นของนับเรื่องในสุขุมรูปคือรูปที่ละเอียดถึงแม้ว่าการที่อาหารนั้นจะเป็นของหยาบและเป็นของละเอียดโดยวัตถุ ก็ต้องรู้ได้เพราะอุปาทาย ร, ยรูปคือรูปอาศัย ด, ดินน้ำนุ่งไฟนะความจริงเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารเจระเข้อาหารของนกยูงถือว่าเป็นเรื่องละเอียดกว่าแล้วก็ท่านก็เทียบมาเรื่อยนะฮะก็เทียบมาเรื่อยคือจะเห็นว่าอาหารซึ่งมันมันเป็นโอชาโอชาที่เรารู้ ถ้าน่าจะเทียบกับคำว่าวิตามินมากกว่าหมายความตัวคุณค่าแท้ๆของอาหารนะที่ร่างกายมันซึมซับเข้าไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆที่มันสึกหรอบุกพร่องไปก็ไม่ได้เอาทั้งชิ้นนะฮะคือเราจะเห็นว่าเช่นสมมติว่าเรากินผลไม้เข้าไปคำหนึ่งเนี่ยผลไม้นั้นมีฐานะเป็นรูปแล้วก็ มีฐานะเป็นกาวลิงกระาอาหารอาหารที่เราต้องเคี้ยวเข้าไปแล้วก็เคี้ยวเป็นคำนะนะทีนี้พอส่วนหนึ่งที่มันถูกดูดเอ่อถูกดูดซึมเข้าไปหล่อเลี้ยงอ่าท่วนต่างๆของร่างกายยอันนี้เขาเรียกเป็นโอชาโอชาโอชามัน ก่หน้าบางทีท่านก็แปลว่าเป็นวิตามินนะครับพวกนักวิจนักปราชสมัยใหม่ก็แปลว่าวิตามินทีนี้ก็เทียบเคียงมาเรื่อยนะฮะเทียบเคียงมาเรื่อยของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยว่าโดยรายละเอียดโดยรายละเอียดแล้วก็ที่มันมันมันแปลกอย่างนี่คือว่าสังคมโลกนี่ยมันเหมือนเดิมคือสัตว์โลกทั้งหลายเรา เ, าเฉพาะมนุษย์เนี่ย โดยเฉพะ ม, มนุษย์เราเห็นว่าอาหารในของมนุษย์ด้วยกันเนี่ยอาหารของชาวชายแดนละเอียดกว่าอาหารของพวกนกอาหารของพวกเจ้าเมืองละเอียดกว่าอาหารของชนชายแดนอาหารของปราชาและหมาหมาดของพระราชาละเอียดกว่าอาหารของเจ้าเมือง พระกายาหารของพระเจ้าจักรพรรดิละเอียดกว่าอาหารของคนแม้เหล่านั้นอาหารของเหล่าภูมิเทวดาละเอียดกว่าพระอพระกายาหารของพระเจ้าจักรพรรดิอาหารของเหล่าเทพชั้นจตุหมาราชิกาละเอียดกว่าอาหารของเหล่าภูมิเทพแล้วก็ขยายไปเรื่อยนะฮะขยายไปเรื่อยจนนับไปนิมิตวัฏสดีจะเป็นพรมไปเรื่อยคืออาหารเนี่ยไม่ได้ขาดเลย หมายความว่ายังไงก็ต้องมีอาหารและอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งในสี่อย่างเนี่ยทีนี้ท่านอธิบายต่อไปว่าในวัตถุที่หยาบนี้โอชาก็น้อยพลังงานก็ต่ําในวัตถุละเอียดมีพลังงานยิ่งอย่างนั้นพูดดื่มข้าวยาคูตั้งเต็มบาทครู่เดียวเท่านั้นก็หิวอยากจะกินของสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เรื่อยไป ส่วนผู้ดื่มเนยเนยใสแม้เพียงฝายมือเดียวก็ไม่อยากจะ ก, กินตลอดทั้งวันในจํานวนวัตถุและโอชาทั้งสองอย่างนั้นวัตถุบรรเทาความกระวนกระวายความหิวได้นะครแต่ไม่อาจรักษาชีวิตไปได้ส่วนโอชารักษาชีวิตไปได้แต่ไม่อาจบรรเทาความกระวนกระวายได้ก็คล้ายๆกับเรากินอาหารเข้าไปอิ่มๆเนี่ยที่จริงมัน มันย่อยเป็นกากจริงะเยอะเลยเพราะว่ามันก็ช่วยบรรเทาความกระวนกระวายที่เกิดขึ้นจากการหิวได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยในการหล่อเลี้ยงได้ทั้งหมดแล้วข้อต่อไปท่านบอกว่าส่วนโอชาในรักษาชีวิตได้แต่ไม่อาจบรรเทาความกระวนกระวายได้ ทั้งสองอย่างนั้นรวมกันเข้าแล้วบรรเทาความกระวนกระวายได้ด้วยรักษาชีวิตได้ด้วยก็ตกลงว่าไอ้พวกโอชาเนี่ยมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งของอาหารนั่นแหละอาหารชนิดต่างๆมันก็อยู่ในส่วนหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเกาลิงการาอาหารนะอาหารที่เราดื่มเราลิ้มเราชิมครากลืนเข้าไปประการต่อไปก็คือ ผัสส า, าหารมโนสัญเจตนาาหารวิญญาณอาหารผัสส า, าหารก็คืออาหารที่นำมาซึ่งผลคือการกระทบกันของประสาทสัมผัสอิยตนะภายในภายนอกวิญญาณแล้วก็กลายเป็นสัมผัสเป็นอาหารอย่างที่สองในจำนวนอาหารสี่อย่างนั้นนี้เป็นนิย่าแห่งเทศนาท่านเพราะฉะนันน้นด้วยเหตุ ชื่อนี้จึงควรแสวงความควรควรแสวงหาความเข้าใจในคำว่าอาหารทั้งสองและที่สามในอาหารอาหารเหล่านั้นเจตนานั้นเองท่านเรียกว่ามโนสัญเจตนาเรียกอนเตม ม, มโนสัญเจตนาอาหารแล้วก็จิต ด, ดวงใดดวงหนึ่งชื่อว่าวิญญาณอาหาร ก็หมายความวาการรับรู้อารมณ์ที่ผ่านมากระทบแต่ละขณะเนี่ยมันแต่ละอย่างเนี่ยแต่ละขณะเนี่ยมันก็เป็นอาหารคือนามาซึ่งผลในเรื่องนี้พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ว่าถ้ามีคําถามว่าสัตว์ดํารงชีพยอยู่ได้เพราะปัจจัยดํารงชีพยอยู่ได้เพราะอาหารเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุฉไหนเมื่อปัจจัยของสัตว์ทางหลายแม้อย่างอื่นมีอยู่ โรงจริงสัตอาหารไว้เพียงสี่อย่างเท่านี้เหล่านี้เท่านั้นเพเจ้าจะกล่าวตอบว่าโรงสัตว์ไวเพราะปัจจัยพิเศษแห่งสันตติคือการเกิดเนื่องสืบต่อกันไปนี่ที่เป็นในภายในคือกอลิงกรารารเป็นปัจจัยพิเศษของรูปกายสัตว์ทั้งหลายผู้มีกอลิงกรารารเป็นพักษาในหมวดนาม ปัสสะหารเป็นปัจจัยพิเศษของเวทนาหารมโนสัญเจตนาหารเป็นปัจจัยพิเศษของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยพิเศษของนามรูปดังที่พุทธเจ้าทรงสัจไว้ว่าภิกษุทั้งหลายร่างกายนี้อาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ไม่มีอาหารดำรงชีพยอยู่ไม่ได้เช่นใดเวทนาเกิดมีเพราะปัสสะเป็นปัจจัย วิญญาณเกิดมีเพระสังขารเป็นปัจจัยนามรูปเกิดมีเพระวิญญาณเป็นปัจจัยทีนี้ถามว่าก็อในอาหารระวระเนี่ยอาหารอะไรนำอะไรมาให้นี่ยก็ถามละเอียดไปอีกชั้นหนึ่งนะฮะหมายความมาเรื่องเดียวนั่นแหละท่านก็ทัก็ซักลึกลึกลึกลึลึกลงไปเรื่อยๆระถิงจุดหนึ่งปรากฏว่ามัน เป็นปัจจัยของกันและกันและก็ส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันเขาเรียกอาศัยกันแลกการเกิดขึ้นอาศัยการแลกกันตั้งอยู่อาศัยกันและกันกระดับไปกวลิงกาลาหานนำรูปที่โอชะเป็นที่แปมาให้ปัสสะหานนำเวทนาสา ม, มาให้มโนสัญเจตนาหารนำภพสา ม, มาให้ปิญญาณาหาร นำรูปไปไปสนทิให้แต่ก็ต้องประเด็นต่อถามต่อว่านำให้อย่างไรคือกาวลิงกาลาหานเนี่ยอกกาวลิงกาลาหานก่อนเพียงแต่วางไว้ในปากเท่านั้นก็ก่อตั้งรูปทั้งแปดขึ้นส่วนคำข้าวแต่ละคำที่ ฟันเคี้ยวให้ละเอียดกลืนลงไปจะก่อทั้งรูปขึ้นคําละแปดรูปทางนั้นเกาลิงกาลาหานนารูปมีโอชะเป็นที่แปดมาให้อย่างนี้ส่วนภาษาหานคือภาษาที่จะให้เกิดสุขเวทนาเมื่อเกิดขึ้นก็จะนําสุขเวทนามาให้ภาษาที่จะให้เกิดทุกเวทนาก็เช่นกันคือจะนาทุกมาให้ ที่จะให้เกิดอุทุกรมสุกเวทนาที่จะนํนาอุทกกรมสุขเวทนามาให้ภาษาหานก็จะนําเวทนาทั้งสามคือสุขทุกขอทุกรรมสุขนี้มาให้ทีนี้มโนสัน ม, มโนสันเจตนาหานคือกรรมที่จะให้เข้าถึงกามมาพบและจะนํากามมาพบมาให้ ที่จะให้เข้าถึงรูปภพและอรูปภพก็จะนำรูปภพและรูปภพมาให้มาโลสันเจตนาหารโดยสรุปจะนำาพทั้งสามมาให้อย่างนี้คือเป็นเจตจำนงเป็นความตั้งใจเป็นความตั้งใจเช่นท่านทามิกาอุบาสก คือบางทีท่านท่านไม่ได้เล่าว่าท่านคิดยังไงนะบางทีท่านไม่เล่าว่าท่านคิดยังไงแต่เราก็เห็นว่าจิตใจของท่านก็จดจ่ออยู่ที่กระแสของธรรมะเอายกย ก, ยกตัวอย่างกบตัวหนึ่งอะไรกันเขาเรียกว่ามันุกะเทพบระบุทเทพประบทุที่เป็นกบมาก่อนคือก็หวนตกพรำๆมานะแล้วก็ทำให้ กบซึ่งอยู่ใกล้ๆกับศาลาการบระเรียนที่พระกำลังประชุมแล้วก็ฟังเทศกันอยู่เธอก็ฟังด้วยจิตใจก็จดจ่ออยู่กับเสียงเทศแต่ก็ไม่รู้ว่าเทศว่าอะไรนะแล้วย่าลืมว่าใจมันกําหนดที่สักแต่ว่าเสียงนี่คือเสียงธรรมะก็เคลื่อบเพิ่มไปกับเสียงธรรมะ พอดีก็มีชาวนาคนหนึ่งก็ถือเครื่องมือแทงแทงสัตว์นะนะก็เดินแทนไม้เท้ามาด้วยเพราะมันลื่นมาถึงก็เห็นพระเทศอยู่ก็หยุดเพราะหยุดแกก็ปักไม้ปักไม้ที่ถือมาลงไปถูกบนหัวกบพอดีเลยในขณะที่กบก็ศรัทธาเลื่อมใสในธรรมะที่พระแสดง ตายด้วยจิตที่ผ่องใสาตายไปก็บังเกิดในทุกติแต่ในสุกตินะฮะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์เป็นสวรรค์ชั้นดาวดึกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอาสัญกรรมกรรมเมื่อจวนจะดับจิต เ, เมื่อก่อนจะทำอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนั้นมันจิตมันผ่องใสตอนนั้นจิตผ่องใสก็ตายไปบังเกิดในสุกติหรือแมแต่ คนที่ทำดีมันี่แหละแต่มันเกิดพลาดขึ้นในจังหวัเนี่ยจะนายโกตัวลิกก็เดินทางหนีไอ้ทุพพิกรภไพ่นะกับพันยาและลูกเล็กๆก็เปลี่ยนกันอุ้มลูก ก็หมดแรงทั้งคู่ดังคนดังก็ไม่มีแรงที่จะอุ้มลูกสามีก็เสนอแก่พัญญาบอกว่าถ้าเราชีวิตเรายัางอยู่เนี่ยยังไงเราก็มีลูกใหม่ได้บอนก็อยากจะทิ้งลูกไว้ก่อนเพราะว่ามันแบกไม่ไหวอุ้มไม่ไหวจริงๆพัญญาก็ไม่ยอมในสุดก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนการพัญญาไปหน่อยหนึ่งก็ไม่ไหวเหมือนกันนั่นแหละ แต่ว่าใจแม่มันผูกพันกับลูกมากก็ไม่ยอมทิ้งนายโกตัวลิกก็พอถึงจังหวะหนึ่งเธอก็เอาผ้าที่ให้ลูกนอนอุ้มมาด้วยวางลงแล้วก็ให้ลูกนอนอยู่ตรงนั้นเพราะมันอุ้มไม่ไหวปัญญาหาันกลับมาเพื่อจะรับมือรับลูกปรากฏว่าเอาลูกหายไะแล้วสอบถามได้ความว่าเอาวางไว้ใต้ ก็พ่ยในีสุดก็กลับไปสองคนก็เจอลูกตายแล้วดั น, นั้นเราจะเห็นว่าเป็นจิตที่ไม่ได้มุ่งร้ายไม่ได้มุ่งจะฆ่าลูกเพราะว่าสุดกำลังที่จะอุ้มมันหมดแรงแล้วก็ไปไปที่บ้านของนายโคบานซึ่ง บำรุงพระปจเจกับพุทธเจ้าอยู่รูปหนึ่งด้วยอาหารอย่างดีนิมนต์พระปจเจกับพุทธเจ้ามารับประทารแะบินธบาต ท, ที่บ้านเป็นประจำก็ในขณะที่แกนั่งอย่างนี้ก็เห็นสุนัข ก, กินอาหารกับนมนมสดอย่างดีเลยนะก็นึกว่า ไอ้สุนัขนี่มันดีกว่าแกทั้งเยอะเลยแกเป็นคนแท้ๆยังไม่มีโอกาสกินอาหารอย่างนี้เลยแต่ว่าสุนัขเขาโชคดีก็ได้กินอาหารอย่างดีก็จิตใจก็เกิดผูกพันในความเป็นสุนัขตกกลางคืนพอเสร็จแล้วนายโคบานก็เลี้ยงอาหารคนทั้งสองเสองสองสามีพัรยาพัรยาเห็นว่าสามีนั่นมันอาการหนักมาก ก็เลยให้สามีนี่กินในเต็มที่เลยโดยเองยอมอดไว้คืนนายโกตัวลิกก็กินในเต็มที่เหมือนกันอาหารไม่ย่อยตายด้วยใจที่ผูกพันอยู่ในกำเนิดสุนัขเป็นลูกสุนัขเป็นลูกสุนัขไปเลยแล้วก็เติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูของ นายโคบาลและพระปฏิเจกพุทธเจ้าแล้วก็ตามรับตามส่งพระปฏิเจกพุทธเจ้าอยู่กี่ปีก็ไม่รู้เลยนะก็ไม่ได้บอกไว้มีความผูกพันกับพระประัจเจกพุทธเจ้าสูงมากคราวหนึ่งพระปฏิเจกพุทธเจ้าจีบอนท่านขาดท่านต้องไปทําไปทําจีบอนพระต้องปัจเจกพุทธเจ้าต้องช่วยกันเย็บที่ภูเขาคันธามา ในโคบาลก็ได้ถวายผ้าให้ท่านแต่กระท่าก็ทําทเองคนเดียวไม่ได้รูปเดียวไม่ได้ก็นําผ้าเนี่ยไปทางอากาศสุนัข ก, ก็มองเห็นด้วยความอาลัยเสียดายต่อพระปฏเจกาพุทธเจ้าหอนส่งนะหอนส่งไปดิเลยถึงจุดหนึ่งพระปฏเจ้าพุทธเจ้าก็รับตาไปแกก็ช็อกตายแหละตายด้วยใจที่ผ่องใส ก็ไปบังเกิดเป็นเทพประบุตรนะจากหมาเป็นเทพประบุตรจากคนเป็นหมานั่นคือพวกอาสันนะครับกรรมเมื่อจวนจะตายเนี่ยจะมากหรือน้อยไม่รู้ว่าถ้าไม่มีพวกกรรมหนักไปขวางเอาไว้กรรมหนักก็มีสองประเภทนะประเภทบุญอย่างหนักก็คือพวกรูปชาณ์นะรูปชาณ แล้วก็บาปยังหนักก็คืออนันตรกกรรมมิจฉาทิฏฐิถ้านอกจากพวกนี้นอกจากกุศลนอกกุศลพวกนี้แล้วเนี่ยไม่มีใครไปขวางเขาได้เขาต้องให้ผลก่อนเลยนี่ก็คือเรื่องของนําพบมาสู่พบพทั้งหลายเพราะว่ามันพพมันจะประ น, หนีหรือไม่ประ น, นีมันก็อยู่ที่ใจเรามีต้นทุนเท่าไหร่ คือไม่ใช่ไปตเตรียมเตรียมตัวจะไปทำาสนากรรมรักษาาสนากรรมตอนนั้นนะคือมันต้องคุ้นนะคือใจที่จะคิดถึงกุศลเนี่ยเราต้องคุ้นอยู่กับกุศลถ้าใจไม่คุ้นเลยนี่ไม่ไปหรอกมันไปไม่ได้อย่างที่ข้อเล่าว่าคนคิดเดียวลูกหลานก่อนจะตายบอกว่ายาย ภาวนาอาระรหังนะแก้ฟังเป็นอะไรหายตลอดอะอะไรหายอะไรหายเป็นคนจะนีที่มเหนียวเขาบอกว่าพูดโทรแกครัภาวนาเป็นปราเทโพอันนี้ก็ชอบลาสัตว์ชอบจับปลาโดยเฉพาะยิ่งกับปราเทโพเนี่ยก็ชอบนี่ก็คื อ, อบุญกุศลจึงต้องมีการสะสมเนืองๆสะสมบ่อยๆ จึงจะกลายเป็นมโนสัญเจตนาอาหารที่จะนำพบทั้งสามมาให้ได้ทีนี้วิญญาณอาหารนะั้นท่านกล่าวว่าจะนำขันทั้งสามที่ ส, ทสัมปยุทธ์ด้วยวิญญาณนั้นๆและรูปสามสิบอย่างที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจด้วยสามารถแห่งสันตติสามโดยนยยแห่งปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น คือปัจจัยที่เกิดพร้อมกันเกิดร่วมกันในไปสนทิขณะวิญญาณนำอาหารในไปสนทิขณะมาให้อย่างนี้อันหนงในอาหารวาระนี้กุศลเจตนาและอกุศลเจตนาที่ยังมีอาสวะอยู่นั่นแหละท่านกล่าวไว้ว่ามโนสันเจตนาหารจะนามพรทั้งสามมาให้ ไปสนที่วิญญาณนั่นเองกล่าววว่าวิญญาณจะนำนามรูปในไปสนชิขณะมาให้แต่อาหารสามอย่างเหล่านี้พึงทราบว่าเป็นอาหารไม่แตกต่างกันเพราะนำมาซึ่งทําที่ส ม, มยุญกันด้วยวิญญาณคือพวกนี้ก็เป็นนามธรรมนะไม่เหมือนกาวลิงกราหารกวลิงกาาห า, ก า, งก า, าหารอย่างเดียวที่เป็นรู ป, ปรธรรมเนี่ย บัญญญาอาหารภัสาาสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารเนี่เป็นนามธรรมท่างนั้นและกันว่ากันตามความจริงก็เกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตทั้งนั้นนี่ยเกี่ยวเนื่องอยู่กับจิตหรือเป็นตัวจิตเองทีน่นี้ในจํานวนอาหารสี่อย่างนั้นกวลิงการาอาหารเมื่อคำชูชีวิตไว้ย่อมให้สําเร็จกิจคือการนํารูปมาให้ภัสสะ เมื่อถูกต้องอยู่นั่นแหละย่อมให้สาเร็จกิจคือการนำเวทนามาให้มโนสัญเจตนาหารอาหารคือมโนสัญเจตนาเนี่ยในอย่างที่กล่าวแล้วว่ามันก็เกี่ยวกับจิตก็ย่อมให้สาเร็จกิจคือการนำพบมาให้วิญญาณเมื่อรู้รูปอยู่อย่างนั้นแหละก็จะ นำมาเสเมตกิจคือการนำารูปในไปสนชิขณะมาให้อันนี้ก็คือแนวปฏิจจสมบัติเราเลีงนึกออกว่า ก, ก่อนเราดับจิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนอะ่ะแต่ว่าพอไปไปสนชิเราจะรู้ทันทีว่าเราไปสนีิที่ไหน คือถือกําเนิดเป็นกําเนิดอะไรในที่ไหนเนี่ยก็ยจะรู้เพราะงั้ น, ท, นท่านอธิบายว่าความจริงกวลิงกาลาหานเมื่อคั้มชูชีวิตอยู่นั่นเองจะมีการดํารงสัตว์ทั้งหลายไว้โดยการคั้มชูไว้เพราะว่าร่างกายนี้ถึงกรรมจะตกแต่งให้เกิดกาลิงกาลาหานก็คั้มชูไว้ จึงดำรงอยู่ได้จึงกำหนดอายุยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างเหมือนทารกที่มารดาให้เกิดมาในนมให้ดื่มนมเป็นต้นเลี้ยงดูอยู่จึงดำรงอยู่ได้นานเหมือนเรือนที่ใช้ไม้คํำไว้ชีวิตเราก็เหมือนกันแหละทีนี้ ที่สมจริงอย่างที่พระพุทธเจ้ารับสั่งแสดงว่าขอถวายพระพรมหาบุพพิตรเมื่อเรือนจะลม้มคนทั้งหลายจะเอาไม้อื่นมาค้ำไว้เรือนนั้นที่ถูกไม้อื่นค้ำไว้จึงทรงอยู่ได้เมื่อเป็นเช่นนี้เรือนนั้นจึงไม่ลม้มฉันใดขอถวายพระพรมหาบุพพิตรราชสมภารเจ้าร่างกายนั้นก็เป็นฉันนั้นเหมือนกันนั่นแหละ ดำรงอยู่ได้เพราะอาหารอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้กบลิงกรลาหารเมื่อค้ำจุนร่างกายอยู่อย่างนี้ย่อมชื่อว่าให้สําเร็จหน้าที่ของอาหารและแม้เมื่อให้สําเร็จอาหารวิกิจอยู่อย่างนี้กวาลิงกรลาหารชื่อว่าเป็นปัจจัยของรูปที่มันเกิดสืบเนื่องกันไปแล้วก็ เป็นปัจจัยของรูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานรูปที่มีตันหาและทิฏฐิถือเอาแล้วกลลิงกราหารเป็นสิ่งที่ตามรักษากรรมชรูปคือรูปที่เกิดแต่กรรมและเป็นผู้ให้กําเนิดแก่รูปที่มีอาหารเป็นสมุดฐานดํารงอยู่ได้ภัสส า, ารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารซึ่งซึ่งได้กล่าวมาแล้วก็ มีภารกิจมีภารกิจต่อชีวิตคือนำนำผลมาสู่ชีวิตของบุคคลนั้นตามสมควรแก่หน้าที่ของตนนี่ก็เป็นกระบวนการปัจจยการที่เริ่มแสดงตรงกลางนะฮะเริ่มแสดง ค, ค่อนไปทางตรงกลางก็คืออวิชา สังขารวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะแล้วก็เวทนาทีนี้ในที่นี้ก็เน้นไปที่วิญญาณกับเวทนาวิญญาณอาหารกับผัสสะอาหารคือนำผลมาก็คื อ, อ, อสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการกระทบ ทางประสาทสัมผัสนันเองทุกฝั่งทั้ ง, งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเทาง่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพ่บูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี